บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธาชนทั้งหลายสืบต่อไปในเวทนานุปัสนาสติปัทานผู้มีภาคดาก็ทรงใช้ข้อความเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในกายานุปัสนาสติปัฐานก็เริ่มต้นด้วย การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคำว่าเวทนานั้นแปลว่าความสวยอารมณ์หรือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ออกมาเป็นรูปของความสุขบ้างเป็นรูปของความทุกข์บ้างเป็นรูปของอาการที่เป็นกลางกลงบ้างและเมื่อจำาแนกด้วยละเอียดนั้น อาจจะจำแนกออกไปเป็นหลายๆในญายะด้วยกัน่นบางครั้งจะมีการจำแนกออกไปเป็นห้าอย่างเรียกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสแล้วก็เป็นอุเบกขาถึงถ้าเป็นชนีหมายความว่าสุขทุกขนั้นเป็นสุขทุกขที่เกิดขึ้นที่กายโสมนัสโทมนัสนั้นหมายถึงความสุขความทุกข์ ที่เกิดขึ้นภายในใจเองแล้วเบกคาก็คือใจที่มัธยะตัดเป็นกลางๆมีความรู้สึกต่ออารมณ์เป็นกลางๆคือไม่สึงไม่ถึงกระสุกและไม่ถึงกระทุกซึ่งบางครั้งท่านเรียกว่าอาทุกขกมาสุกคือจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่เชิงจะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่ประการทั้งสองประการนั้นไม่เด่นชัด เรื่องอเวทนานั้นที่จริงก็นํามาสอนไว้โดยเนย่าต่างๆเป็นการสอนถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลนั้นๆซึ่งผลที่ระจักและเสียดแทงใจคนอย่างแรงก็คือผลที่เป็นความสุขและผลที่เป็นความทุกข์ส่วนผลในรูปกลางๆนั้นไม่ค่อยจะเสียดแทงใจอะไรเท่าไรตามปกติจึงไม่ค่อยนํามาพูดกัน เพราะถ้าพูดก็ต้องมีการอาธาิบายโดยนิยามต่างๆมากแต่ถ้าบุคคลได้ประจักษ์ชัดถึงผลที่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ได้แล้วอย่างน้อยที่สุดในระดับของศีลธรรมจัญยาจะมองเห็นว่าสุขทุกข์นั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุไม่ต้องการความทุกข์ก็พยายามที่จะละเหตุแห่งความทุกข์ ต่อการความสุขก็พยายามสร้างเหตุให้เกิดความสุขและบุคคลนั้นก็จะปราศจากทุกประสบความสุขในฐานะนั้นๆันน้าในการแสดงนั้นเืนสังเกตว่าตมองเวลาเวทนาเป็นภาพ ร, มรวมๆซึ่งเกิดขึ้นแล้ววาะพระอาราธนทั้งหลายนั้นท่านใช้คำว่าเป็นโทษของวัฏฏะ หมายความว่าความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีการประสบภัยอันตรายถูกเปลียป่ยนเปลียนถูกสายร้ายหรือถูกทำลายล้างต่างๆนั้นเมืสาเหตุไปลึกๆจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากวัฏตะคือการที่เราเกิดหมุนวนด้วยในสังสารวัฏถ้าเราไม่เกิดมาความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความทุกข์มันเป็นในเพียงผลดังกล่าวแล้ว ดนั้นเวลาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระหันทั้งหลายคือบางครั้งรุนแรงเกินไปแต่ไม่และไม่น่าจะเกิดขึ้นเวลาคนมาประรบถึงเรื่องเหล่านั้นหรือคนทีล่ล่วงเกินท่านนั้นเองมาประรบถึงเรื่องเหานั้นท่านจะบอกว่าไม่ใช่โทษของท่านหรอกเป็นโทษของวัตะนี่แสดงถึงความจริงที่แท้จริง เพราะเวทนานั้นเป็นกระบวนการของวัตะอย่างที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าเมียวิชาก็มีสังขารมีสังขารก็มีวิญญาณทวิญญาณก็มีนามรูปมีนามรูปก็มีอายตนะมีอายตนะก็มีผัสสะคือการกระทบเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนามันเป็นธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันในชั้นของศีลธรรมจัญญานั้น ก็สงสอนเวทนาที่เป็นรูปธรรมไว้โดยนิยะต่างๆที่เราพูดรวมๆมาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกหรือว่าสุคติกรทุคติเป็นการแสดงภาพของเวทนาที่บังเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแต่จะสะท้อนตัวเวทนาเหล่านั้นให้ดูก่อนจะนำเรื่องของความทุกข์ซึ่ง สัตนรกกำลังประสบอยู่เปรตกำลังประสบอยู่ดิเราชานกำลังประสบอยู่อสุรกายกำลังประสบอยู่เหตุการณ์เหล่านั้นบางครั้งคนก็สามารถมองเห็นได้แต่บางเรื่องคนก็ต้องอาศัยการเชื่อเอาเช่นการแสดงเรื่องเปรตการแสดงเรื่องนรกนั้น มันจะแสดงตามคํากราบทูลถามของพระโมคคัลลานะเท ร, ระวันผู้ฟังก็ต้องเชื่อว่าพระโมคคัลลานะเทระได้เห็นมาจริงแต่วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงก็จะพันนาถึงความทุกข์ซึ่งสัตว์เหล่านั้นประสบในนรกบ้างในเปรตบ้างในสุรกายบ้างซึ่งคนฟังในขณะนั้นจะรู้สึกเป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่น ถามว่าตนไปเจอสภาพเช่นนั้นเข้าแล้วจะทำยังไงเสร็จแล้วเมื่อคนเกิดหวาดกลัวในผลซึ่งสัตว์อื่นที่จริงคือสัตว์อื่นกำลังประสบเวทนาอยู่ไม่ใช่เราประสบเวทนานั้นแต่ว่าก็เป็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นเองซึ่งหมายความว่าถ้าเราสร้างเหตุอย่างเดียวกันเราจะประสบความทุกข์อย่างเดียวกัน แตนั้นเมื่อบุคคลไปมองตัวทุกข์ซึ่งเป็นผลเป็นอาการของเวทนาที่เป็นรูปธรรมเช่นนั้นก็จะเกิดหวาดกลัวไม่ปราถนาที่จะได้จะมีจะเป็นสถานะเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็จะดึงตัวเหตุมาให้ดูว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้เกิดแก่บุคคลทั้งหลายแต่มันเกิดเพราะกรรมของบุคคลเหล่านั้น ที่ได้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นเอาไว้อย่างเช่นทรงแสดงเรื่องบุรุษสีคนที่ตกนรกชื่อวโลหะกุมพีประสบทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานพระเจ้าปเสนโกศลได้ยินเสียงในยามดึกสงัดของราศีี่ประตู ที่พระไทยของพระองค์กำลังถูกแปดเรวนโดยกามราคะอย่างรุนแรงต้องการที่จะได้พัญญาของราชดอนมาเป็นพระสนมของพระองค์เมื่อไม่ได้ตามพระไทยหวังก็คิดพุ่งสร้างไปด้วยประการต่างๆจนเกิดได้ยินเสียงขึ้นและในที่สุดเมื่อเรื่องนั้นมาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะรับสั่งเล่าถึงความทุกข์ซึ่งสัตว์ทั้งสี่ตัวนั้นกำลังประสบอยู่ แ, แล้วก็จะย้อนรอยมาที่เหตุซึ่งทําให้สัตว์นรกทั้งสี่นั้นประสบความทุกข์ทรมาร์แล้วก็เล่าเรื่องอันเป็นเหตุว่าในดีตการนานไกลามาแล้วคนสี่คนนั้นได้เป็นบุตรทนของเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากเมื่อได้รับท ร, ท, รทรัพย์สมบัติจากพ่อแล้วและพ่อแม่แล้วก็ไม่ประกอบกิจาการงานอะไรเพระทรัพย์สมบัติมันมาก เลยใช้ทรัพย์สมบัติของตนไปบุกรุาเรรอตัวเองประพฤติผิดศีลข้อกามเมมากไม่ว่าจะเป็นลูกลูกเขามีอใครก็ตามมันก็พอใจก็จะใช้อำนาจเงินไปเอาคนเหล่านั้นมาวิบาตกรรมเหล่านั้นก็ทำให้ตกนรกเพราะเราจะเห็นว่าก็เป็นการแส ด, แดงทั้งผลทั้งเหตุของเวทนา ว่าเกิดขึ้นจากเจตนาที่รุนแรงจนเป็นเหตุในละเมิดในปัญญาของชาติอื่นเป็นการประพฤติผิดศีลผลของการประพฤติผิดศีลนั้นก็ตกนรกโรคแล้วก็ประสบความทุกข์ทรมานในลักษณะต่างๆคนก็กลัวนรกแต่ไม่ใช่ไปทําลายอะไรนรกเมื่อกลัวนรกแล้วก็จะยุติเหตุที่ให้เกิดในนรก แล้วก็เสริมสร้างให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมจัญญาขึ้นมาหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับบีมานวัตถุต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นจะเป็นการพนาแสดงความสุขในวิมานไว้ด้วยรูปลักษณะต่างๆเป็นอันมากก็แล้วแต่จะหยิบเอาเรื่องอะไรขึ้นมาแสดงคนความก็จะมีความเพลิดเพลินยินดีพอใจในความสุขเหล่านั้น จะคิดว่าถ้าเราสร้างเหตุอย่างเดียวกันก็คงจะได้รับผลเช่นเดียวกันเมื่อคนเพลิดเพลินในผลยินดีในผลเช่นนั้นพระเจ้าก็จะดึงเอาเหตุซึ่งคนเหล่านั้นทําไว้เป็นอดีตคือตัวเวทนานั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่ตัวเหตุนั้นเป็นเรื่องเหตุอดีตและเป็นเหตุที่ข้ามภพข้ามชาติมาด้วย เราจะรับสั่งเล่าเรื่องการกระทำของบุคคลนั้นเพื่อทำความดีต่างๆซึง่งความดีเหล่านั้นบางทีเวลาไม่แสดงในลักษณะนั้นก็จะแสดงโดยสรุปสรุปว่าเหตุที้บังเกิดในสุคติก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเท่านั้นเองเหตุที่เกิดในทุคติก็คือทุจริตทางกายทางวาจาใจามันก็เท่านั้น แต่ถ้าในกรณีจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมามันก็จะสาวมาถึงเขตเหต่านั้นเช่นทรงสแสดงเรื่องมัตตะกุนตลีเทพระบุตรซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่ตรณีทีเนียวแม่ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ยอมใช้จ่ายเงินไปรักษากลัวทรัพย์สวัสดิ์จะสิ้นเปลืองในแวดวงชีวิตของมัตตะกุนตลีมโนบนันก็อยู่ถ้ากลาง ครอบครัวที่สรีเห็นแก่ตัวมีความคิดเห็นเป็นมิจฉาทิฐิท่านจึงถูกความคิดเห็ น, น ท, ท, รรที่เป็นมิจฉาทิฐิการกระทำที่เป็นมิจฉากรรมันตะการพูดที่เป็นมิจฉาวาจาเป็นต้นครอบกรรมไว้แต่ก่อนจะตายสามารถทำใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้ จิตผองสใยในขณะนั้นก็บังเกิดในสุกตินั้นทำให้คนเห็นว่ากุศลแม้มีเพียงเล็กน้อยที่ใครคนใดคนหนึ่งสร้างให้บังเกิดขึ้นก็จะเป็นการปฏิบัติที่มีผลมีอานให้ส่งมากคนก็จะมาสนใจในตัวเขตที่เป็นกุศลธรรมหลักนั้นโดยปรารถนาผลเป็นความสุขความเบิกบาน ในชีวิตต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเ้าสร้างเหตุหรือเขเว้นเหตุแต่งความทุกข์สร้างเหตุแต่งความสุขแล้วก็จะทรงแสดงเวทนาซึ่งปรากฏในช่วงสั้นๆจะเปะเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลจะเป็นเมตตาจะเป็นกรุณาจะเป็นความหมั่นขยันจะเป็นความมีมีไม่ มีมิตรเมต谛แต่บุคคลอื่นก็ตามหรือการสงบระงับเปวรภัยที่มีอยู่ภายในใจก็ตามบุคคลก็ประสบความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีความสุขใจมีความสบายใจมีความมั่นใจมันเกิดขึ้นเขาก็เห็นเวทนาในขณะใกล้ๆนั้นว่าเป็นสุขและเป็นสิ่งที่ตนต้องการเมื่อก็ทําลงไปก็ดีพูดลงไปก็ดีแม้แต่คิดอยู่ภายใน ใ, นใจ ความสุขตัวนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้เกียรติได้ยศได้สันเซินในสมาคมที่ตนเป็นสมาชิกจุกก็เกิดมีความปีติปราโมทย์มีความสุขขึ้นมาจนถึงประสบความสุขแต่แรงบันดาลของกุศกลกรรมเพราะเราก็จึงปรากฏว่าแม้จะเป็นการแสดงผลในชาติหน้า แต่พอบุคคลสร้างเหตุข้าวปรากฏว่าเขาได้รับผลในชาตินี้ได้ถึงสามช่วงนี้สี่ช่วงอีกใหญ่ด้วยกันคือช่วงพขะเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลซึ่งมังเกิดขึ้นสร้างความสุขในขณะนั้นๆและช่วงที่กำลังทำสิ่งที่เป็นกุศลจุช่วงที่ได้รับการยอมรับนับถือยกย่องจากสังคมที่ตนเป็นสมาชิกจุ มีเกียรติมีสถานะมีความมุงอาจกระหาในสมาคมเหล่านั้นตลอดทั้งแรงการบรรดาลของกุศลกรรมเทียมโนวยผลเป็นความสุขบางอย่างก็ในลักษณะที่บุญมาวาสนาสมที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักเป็นต้นในส่วนของทุกเวทนาที่ส่งสะท้อนมาจากนรกก็ดีเปรตก็ดีสุรกายกดีทุรติระจารก็ดี ต้องมีลักษณะจช่นเดกันเมื่อบุคคลประกอบเหตุแล้ว ก, ก็จะประสบความทุกข์ไม่ใช่ไกลขนาดนั้นก่อนแต่ที่จริงแล้วจะได้รับความทุกข์ในขณะนั้นๆั้นก่อนทุกข์ตั้งแต่เกิดเจตนาที่ประกอบด้วยความโกรธความริษยาความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นบุคคลเหล่า น, นั้นก็ได้ประสบความทุกข์แล้วในขณะนั้น แล้วในขณะที่ทำไปก็ทําดยความมีตกกังวลความหวาดระแวงความกลัวต่อโทษต่อภัยอันตรายต่อมือของกฎหมายเป็นต้นหลังจากได้ทำไปแล้วก็รับการดูหมิ่นได้รับการเรียกชื่อใหม่จากสังคมเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรเป็นฆาตกรบ้าการเป็นฆาตกรวิปริตเป็นเสือเป็นสางไปไหน แสดงว่าสังคมก็แยกคนเหล่า น, นั้นออกไปจากความเป็นพวกเดียวกัะโดแล้วกลายเป็นเสือเป็นสางไปแล้วในสุดก็ก็จะประสบความทุกข์ลาภที่เคยมีก็เสื่อมยศที่เคยมีก็เสื่อมสันเซินกลับเป็นถูกนินทาความสุขที่เคยมีก็หายไปกลายเป็นความทุกข์นี่แสดงเห็นว่าเวทนานั้นก็เป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุ การศึกษาในเวทนาระดับศีลธรรมจัญญาจึงมุ่งที่จะตัดเหตุแห่งความทุกข์และมุ่งที่จะสร้างเหตุแห่งความสุขเป็นประการสำคัญเมื่อบุคคลต้องการผลเช่นไรก็สามารถสร้างเหตุเพื่อเกิดเวทนาในลักษณะนั้นเพราภาพเวทนาที่ปรากฏเป็นการถูกจองจำจิตคุกติตารางก็ดี เป็นความเจริญก้าวหน้าก็ดีเป็นความทุกข์ทรมานในการดําเนินชีวิตก็ดีเป็นความสุขความเบิกบานในการดําเนินชีวิตก็ดีเป็นความกระตุ่มเร่าร้อนมิตรกังวลหน้าตาหม่นมองซึ่งเห็นก็นได้ในขณะนั้นๆก็ดีด้วยการที่มีหน้าตาช่มชื่นเบิกบานซึ่งเห็นกันในขณะนั้นก็ดี มันเป็นเวทนาที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งปรากฏแล้วแก่คนเราอื่นเราก็ดูเราก็าประสบพบเห็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเวทนาบางอย่างเป็นสุขตามเป็นทุกขตาซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่แตกต่างกันนั้นเราเองก็ได้สัมผัสในชีวิตของเรามาครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงแต่ว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจนนารณาเท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าก็มาสอนให้ดูชีวินาฉันเสริมสร้างคุณธรรมความดีโดยการละเหตุแห่งความชั่วปฏิบัติเหตุแห่งความดีนั้นเป็นช่วงหนึ่งแต่ช่วงหนึ่งก็สอนในแนวของทุกขสัจเพราะเวทนานั้นก็เป็นทุกขสั์ก็ดูที่ตัวเวทนาว่าเมื่อแกเกิดขึ้นแล้ว สุกก็ตามทุกก็ตามไม่จะทุกไม่จะสุกก็ตามเพื่อจะดูเฉพาะสุกกระทุกข์ซึ่งปรากฏชัดทุกข์ก็มาสุขกระทำเฉยเฉยเสียก็ได้ในตอนตอน้ตนๆโดยเฉพาะสุขกระทุกที่ปรากฏชัดในขณะนั้นๆในช่วงแรกก็จะมองเห็นว่าเวทนานั้นที่จริงเมื่อก่อนมันก็ไม่เกิดอะจะสุขหรือทุก์ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้อย่างต่อเ น, นื่อง แล้วก็สืบสอบไปถึงเหตุเกิดของความสุขหรือความทุกข์ซึ่งเราสัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆหรือแม้แต่ที่คนอื่นสัมผัสอยู่การสืบสาะสืบสาะนั้นจะต้องใช้ปัญญาพินิษพิจารณาคือสาวไปให้ถึงจริงๆถ้าสาวไปไม่ถึงเหตุจริงๆแล้วแม่จะแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นการบรรเทาปัญหาเท่านั้นก็ตํานองใกล้ใกลกับโรค การรักษาโรคจะต้องสืบสอบไปถึงสมุทฐานจริงๆของโรคเหล่า น, นั้นให้ได้จึงจะรักษาโรคหายเด็ดขาดไปได้แต่ถ้ายังไม่สืบสอบไปถึงสมุทฐานที่แท้จริงให้ยาไปฉีดยาไปมันก็เพียงแต่เป็นการปั่นเทาความเจ็บปวดซึ่งเกิดขึ้นจากโกรคใระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ในสุดเมื่อสมุทฐานแกไม่อยู่แกก็ต้องเกิดขึ้นใหม่ ในทางปฏิบัติแล้วปัญญาของคนเรามีไม่มีไม่ทัดเทียมกันดังนั้นเวลาสอนจึงสอนบางทีก็เป็นเรื่องบันเทาเกิดไกล่ไกล่กินยาระ้ ง, งับปวดไปก่อนมันปวดมากล้าเกินก็กินยาระ ง, งับปวดไปก่อนต่อเมื่อได้สามารถสืบเสาะไปตัวถึงต้นเหตุทำลายต้นเหตุได้ก็ค่อยทำลาย ยังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นๆั้ดเเจืว่าบางอย่างมันก็มาจากเขตภายนอกบางอย่างมัเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนึกของตนเองเตษภายนอกนั้นอาจจะจากการกระทำของสิ่งมีชีวิตว่างของปรากฏการณ์ธรรมชาติบางหรือจะเป็นวิบากของกรรมบ้าง ซึ่งในกรณีวิบากกรรมนั้นเราก็คงจะดูได้ยากในตอน ต, อนตอน้นๆในกรณีที่มาจากปัจจัยภายนอกหรือจะจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็สามารถมองเห็นได้ว่าพวกความรู้สึกเหล่านั้นโดยแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากจิตเราที่ไปกำหนดเราเองกำหนดว่าเขาด่าเรา เราเกิดความทุกข์จะเกิดกาหนดว่าเขายกย่องสรรเสริญเราเ้วเกิดความสุขแต่ในจุดนั้นเองนะถ้าเราทำใจกลางๆเราก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาคือไม่ยอมรับรู้ทั้งคำด่าและคาสรเสริญเหล่า น, นหรือรับรู้ไปแล้วก็เฉยๆถือว่า เ, เรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นของมันอย่างนั้นเอง แต่จิตใจเราก็จะไม่ประสบความทุกข์หรือความสุขจนเกินเหตุไปเพเรื่องเรานันและอย่าหนึ่งเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเราจะพบว่าบางครั้งคําด่า น, นั้นมีค่ากว่าคําสั้นๆความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรได้แต่คำสั้นๆนั้นบางทีก็ลืมไปบางทีก็เพลิดเพลินไปทําให้เกิดความประมาทพลาดพรัง้ง ซึ่งเราก็สามารถจะดูได้ในเหตุการณ์ต่างๆจึ่มีการเฉลิมฉลองกันด้วยความสนุกสนานนั้นแต่จริงแล้วอารมณ์มนน่าคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็มีข่าวบ่อยๆที่ท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นภัยอันตรายได้เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวความสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นจะทําให้คนตั้งอยู่ในความประมาท อันตรายก็เกิดขึ้นและมีเหตุการณ์ที่คนประสบความทุกข์แล้วดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อหนีทุกข์ในที่สุดก็รอดพ้นจากภัยอันตรายเหล่านั้นมาได้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าตัวอย่างจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปเปียงแต่ว่าเราใช้ตัวอย่างเหล่านั้นเป็นบทเรียนว่าเมื่อเหตุให้เกิดสุขกตีทุกข์กตีมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้น แต่การจะเกิดขึ้นนั้นบางอย่างไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้ในกรณีที่เหตุปัจจัยมาจากภายนอกในช่วงแรกคือไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดในช่วงที่สองมองในแง่ของความเป็นบทเรียนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างคือใช้ประโยชน์จากการตำหนิตีเตียน ใ ช, ใช้ประโยชน์จากการยกย่องสันเซินในกรณีเขาตําหนิติเตียนก็ตรวจสอบพินิษพิจารณาดูที่ตัวเองเรามีการกระทําที่ควรแก่การตําหนิติเตียนไหมถ้ามีก็เกิดสํารวมระวังไม่ถูกติเตียนอีกต่อไปถ้าหากว่าไม่มีมันก็สามารถใช้หลักมนุสิการได้ว่านี้ขนาดเราไม่ได้สร้างเหตุให้ถูกก็ตีเตียน คนก็ยังติเตียนกันได้อย่างนี้ถ้าเราไปเกิดสร้างเหตุขึ้นคําติเตียนคําด่าว่าคําตำหนิจะไม่เป็นทวีคูณตรีคูณขึ้นมาเลยเราเกิดระมัดระวังไม่สร้างเหตุเหล่านั้นก็เป็นการปิดกั้นกระแสโทษกระแสป่ปรกระแสอันตรายคําตำหนิติเตียนไปได้แต่ในกรณีของการกระทําความดีสมมุติว่าจะติดอยู่ในคําสรรเสริญยกย่อง เรากจะมองเห็นว่าเราทําความดีขนาดนี้คนยังยกย่องขนาดไหนแต่เราทําความดีมากกว่านี้คนจะยกย่องสรรเสริญขนาดไหนก็พยายามเพิ่มพูนความดีไปโดยลำรับแม้จะติดใจคายกย่องสรรเสริญอยู่แต่สิ่งที่เราทํานั้นก็คงเป็นความดี ถ้ายิ่งไม่ติดใจสนใจในเรื่องคำยกย่องสรรเสริญเราทาความดีเพราเห็นว่าเป็นความดีแล้วความก้าวหน้าในด้านการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมองไปที่ตัวเหตุของเวทนาเหล่านั้นเพราะบางทีคำยกย่องสรรเสริญนั้นที่จริงมันมาจากความรู้สึกของคนนั้นที่มีตอร บางทีเราทำดีเขาอาจจะตำหนิก็ได้บางทีเราทำไม่ดีเขาอาจจะยกย่องก็ได้มื้วก็แล้วแต่คนนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อเราซึ่งถ้าหาก็มองใจเขาไม่ชัดก็มองใจใจเราเราะเห็นว่าบางครั้งเราไปปกป้องแก้ต่างให้แก่คนที่เรารักซึ่งทำผิดแสดงให้เห็นว่า ที่จริงการกระทำนั้นเป็นการกระทำผิดแต่พระจิตเรามีความรู้สึกผูกพันในคนที่ไปทาความผิดเราก็ไปปกป้องเราก็ไปแก้ต่างให้เขาจนบางทีกลายเป็นการกระทาถูกไปเลยดังนั้นเอาควาจริงแล้วการยกย่องสรรเสริญหรือการนินทาก็ต่างส่วนหนึ่งเป็นเรื่องใจเรากำหนดเอา ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนนั้นส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองคือมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองทั้งสรรเสริญทั้งนินทานั้นมันก็มีอยู่คู่กับโลกจนพระเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนไม่ถูกนินทานั้นไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกสรรเสริญก็ไม่มีในโลกเหมือนกันแต่ปัญหาว่าเราจะหาประโยชน์ ได้จากการนินทาและสันเสริญโดยวิธีรใดหรือหาได้อย่างไรล้วก็ใช้ประโยชน์จากเรื่อ ง, งนั้นแต่บางอย่างม็นเกิดขึ้นจากใจเราไปกำหนดเอาดังกล่าวเพรา ะ, ะเมื่อวิเคราะห์ตรวจสอบดูก็สามารถปล่อยวางเวทนาบางอย่างที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ลงไปได้ ก็ดูว่าเรื่องอะไรที่ถ้าไปกำหนดไปแล้วใจมันเป็นทุกข์ก็ไม่กำหนดเวทนาอะไรที่กำหนดไปแล้วใจเป็นสุ ข, ขก็กำหนดแต่พอถึงชั้นหนึ่งจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเราก็พยายามมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเกิดแก่เกิดเหตุปัจจัยตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เหตุปัจจัยมันก็ะดับก็ดับ ตกลงเอาก็จริงแล้วเวทนามันก็สักแต่ว่าเป็นมายาเป็นสักแต่ว่าเวท น, นาเท่านั้นเองจิตใจก็จะถ่ายถอนผ่อนคลายความยึดติดในเวทนาว่าจะเป็นสุกตามเป็นทุกตามไม่จะทุก์ไม่จะสุขตามสามารถทําใจให้มัธยัสอยู่ในท่้ำกลางเปลี่ยนพยายามสร้างเหตุอันเป็นกุศลทําความดี เรากำลังความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เราก็ใช้ประโยชน์จากเวทนาเหล่านั้นได้ในระดับต่างๆโดยนัยยะต่างๆท้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสติสัมปชัญญะและความเพียรของบุคคลนั้นที่จะหาประโยชน์ต่อเวทนานั้นในกรณีดังนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป